เรื่องพระสุนทรสมุทเทระพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบพระสุนทรสมุทเทระได้ยินว่าในกรุงสาวัตถีกุลบุตรคนหนึ่งชื่อสุนทรสมุทกุมารเกิดในสกุลใหญ่มีสมบัติ40สิบโกดวันหนึ่งเขาเห็นชนเป็นอันมากเดินไปสู่วิหารเพื่อฟังธรรม เขาจึงไปด้วยพระสัสดาทรงทราบอัทยาศัยของเขาจึงทรงแสดงอนุปพีกถาคือธรรมะอันแสดงโดยลำดับมีทา น, นากถาเรื่องทานศีลกถาเรื่องศีลสักขกถาเรื่องสวรรค์อาทินวกถาโทษของกามและเนคขมมกถาการออกจากกามประพฤติธรรมออกบวช เขาฟังทำแล้วคิดว่าผู้อยู่ครองเรือนไม่อาจประพฤติพรหมจรรย์ให้ขาวบริสุทธิ์ดุดสังขัดได้คิดแล้วจึงขอบวชพระสัสดาให้กลับไปขออนุญาตมารดาบิดาก่อนเขาพยายามอย่างมากจนได้บวชแล้วเที่ยวบินทบาทออกจากกรุงสาวัตถีไปสู่กรุงราชฤท์อย่างการล่วงไปแล้วต่อมาวันหนึ่งมารดาบิดาคิดถึงบุตร ร้องไห้กร่าครวญอยู่หญิงแพยสยาคนหนึ่งอาสาไปทําให้พระเทระศึกเพื่อค่าจ้างนางได้ตามไปสู่กรุงราชฤก์อยู่ในเรือนหลังหนึ่งเตรียมพัตตาหารเพื่อถวายแล้วนิมนต์พระสุนทรสมุทรเทรรทำพัตตกิจนางออกอุบายเกลี้ยกล่อมเชิญเข้าไปนั่งภายในห้องเรือนด้วยเด็กคุยดินเล่นฝุ่นฟุ้ง และเพื่อนีเด็กทาเสียงดังจึงนิมนต์ให้ขึ้นไปพักบนปราสาทชั้นบนพระเทระขึ้นไปแล้วนางปิดประตูนางแสดงอาการสี่สิบอย่างเกี่ยวพระเทระมีการยั่วยวนด้วยคำพูดและท่าทางต่างๆการฟอนราขับร้องการยังของลับให้หวันไหวโกงขาหุบขาแสดงถันขยิบตายักคิว้วเปลืองผ้านุ่งผ้าสยายผมกล้าวผมเป็นต้น นางยืนอยู่ข้างหน้าพระเถระนั้นแล้วกล่าวคาถาว่าหญิงแพทยสยาผู้มีเท้าย้อมแล้วด้วยน้ำครั่งสวมเขียงเท้ากล่าวแล้วว่าแม้ท่านก็เป็นชายหนุ่มสำหรับดิฉันแม้ดิฉันก็เป็นหญิงสาวสำหรับท่านแม้เราทั้งสองแก่แล้วมีไม่เท้าไปข้างหน้าจึงจักบวชครั้งนั้นความสังเวชใหญ่ได้เกิดขึ้นแล้วแก่พระเถระว่า โอ๋หนอกรรมที่เราไม่ใกล้ครวญล้อรมหนักอย่างยิ่งในขณะนั้นรัศาดาประทับนั่งอยู่ในพระเชตวันไกลสี่โยชสทรงทราบทรงแผ่พระรามีไปตรัสว่าบุคคลใดละกรมทั้งหลายในโลกนี้แล้วเป็นผู้ไม่มีเรือนงดเว้นเสียได้เราเรียกบุคคลผู้มีกรมและพบสิ้นแล้ว ว่าเป็นพรามในการจบเทศนาพระเทระบรลุอรหัตเหาะขึ้นไปสู่เวหาด้วยกำลังแห่งฤทธิ์ทะรุมนทนช่อฟ้าออกไปมาถวายบังคมพระศาสดาแล้วทรงตรัสว่าเราเป็นที่พึ่งของสุนทราสมุทรนั่นแม้ในอดีตการก็เคยมาแล้วเป็นผู้ติดอยู่ในรถตันหาแล้วเหมือนกัน ทรงนำอดีตนิทานวาตามิคชาดกในการนั้นสุนทราสมุิเกิดเป็นเนื้อสมันส่วนมหาอัมมาตของพระราชาผู้กล่าวคาถาให้ปล่อยเนื้อสมันนั้นได้เป็นเราตถาคตนี่เอง